และในการประกวดแต่ละครั้งนั้นก็จะมีผู้ชนะเลิศซึ่งผู้ชนะเลิศคนนี้ได้ชนะเลิศติดต่อกันมาหลายปีและหลังจากการประกวดชายผู้ที่ชนะเลิศได้ที่หนึ่งเขาก็ได้ทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นนั่นก็คือเขาได้นําเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งจะชนะการประกวดออกมาแจากให้กับผู้ที่เข้าประกวดร่วมแข่งขันและกล่าวว่าเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกนะและปีหน้าเรามาแข่งกันใหม่ในปีต่อมาเขาก็ชนะการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าโพดอีก เหมือนปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเขาก็เดินแจกเมล็ดพันธุ์ที่เขาเพิ่งจะชนะให้กับคนอื่นๆอีกเหมือนเดิมแล้วบอกว่าเอาไปปลูกนะแล้วปีหน้าเรามาแข่งกันใหม่ชายผู้นี้ชนะการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดติดต่อกันทุกครั้งแล้วเขาก็แจกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ชนะให้กับผู้แข่งขันคนอื่นทุกปีทุกปีจนมีนักข่าวถามเขาว่าไม่เป็นการง่ายกว่าหรอถ้าหากว่าเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เองโดยไม่ต้องแบ่งให้กับคนอื่น เขาก็จะได้ชนะง่ายๆทุกปีทุกปีเขาก็ตอบว่าแสดงว่าคุณไม่เข้าใจในการปลูกพืชคุณเคยได้ยินไหมคําว่าการกลายพันุ์น่ะถ้าไร่ของคุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีบังเอิญไร่ของเพื่อนบ้านคุณมีเมล็ดพันธุ์ที่แย่วันหนึง่งลมก็จะพัดเอาเกสรเมล็ดพันธุ์ที่แย่เอามาตกในไร่ของผมทําให้เมล็ดพันธุ์ของผมพรอยแย่ไปด้วยมันไม่เป็นการดีกว่าหรอกเหรอที่ทุกคนจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ดี ถึงตอนนั้นก็มาแข่งกันว่าใครขยันรดน้ําพนูนดินด้ดีกว่ากันมีคํากล่าวว่าถ้าคุณมีเมล็ดพันธุ์กับความคิดที่ดีคุณเก็บเอาไว้กับตัวไม่แบ่งปันใครถึงวันหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดนั้นก็จะตายไปพร้อมกับคุณเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตที่ความคิดและความรู้ยิ่งให้ออกไปเราก็ยิ่งจะได้รับกลับมาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นไปพร้อมๆ ก, กับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่าในสังคม นี่ก็คือเรื่องแรกนะครับได้แง่คิดอะไรกันบ้างค่อยๆ ค, คิดนะครับฟังเรื่องที่สองกันต่อเด็กเกาหลีสองพี่น้องที่เกิดมาในตระกูลยากจนแบบสุดๆแต่พี่น้องสองคนนี้กลับกลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศเกาหลีเขาชื่อลีเบียงซอนฉันเกิดในหมู่บ้านภูเขาที่ห่างไกลผู้คนแต่ละวันพ่อแม่ของฉันต้องพวอ ด, ดินในไร่ทำกลางแดดที่ร้อนระอุฉันมีน้องชายอยู่คนหนึ่ง อายุน้อยกว่าฉันสาปีวันหนึ่งฉันขโมยเงินของพ่อแม่เพื่อไปซื้อผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆของฉันมีกันจากนั้นพ่อรู้เรื่องเข้าพ่อให้ฉันกับน้องต้องคุกเข่าก้มหน้าเข้าหากําแพงโดยที่ในมือของพ่อมีก้านไม้ไผ่อยู่หนึ่งกา้านใครขโมยเงินไปพ่อตวาดฉันกลัวมากไม่กล้าพูดอะไรออกไปน้องชายฉันก็เช่นกันพ่อจึงเอ่ยว่าก็ได้ก็ได้ในเมื่อมีใครรับสารภาพ ก็ต้องโดนลงโทษมาทั้งคู่นั่แหละพ่อชู ก, ก้านไม้ไผ่ในมือขึ้นทันใดนั้นน้องชายของฉันก็ลุกขึ้นคว้ามือของพ่ อ, อไว้แล้วบอกว่าผมขโมยเองครับก้านไม้ไผ่นั้นก็ได้ถูกกระหนําลงบนหลังของน้องชายของฉันอย่างต่อเนื่องพ่อโกรธมากพ่อตีน้องของฉันไม่หยุดจนพ่อหอบด้วยความเหนื่อยพ่อนั่งลงบนเก้าอี้และด่าว่าน้องชายของฉันต่อของคนในบ้านแกเองแกยังจะขโมยได้ต่อไปแกจะทําอะไรอีก啊 แกน่าจะโดนตีให้ตายไอหัวขโมยคืนนั้นฉันกับแม่นอนกอด น, น้องชายของฉันไว้หลังของน้องฉันมีแผลเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้ร้องไห้เลยแม้แต่น้อยกลางดึกคืนนั้นฉันนอนร้องไห้เสียงดังมากและนานมากน้องเอามือเล็กๆของเขามาปิดปากฉันและบอกว่าพี่ครับพี่ไม่ต้องร้องไห้นะครับมันผ่านไปแล้วยังไงฉันก็อดที่จะเกลียดตัวเองไม่ได้ ที่ไม่มีความกล้าหาญที่จะบอกความจริงกับพ่อหลายปีผ่านไปแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองฉันไม่อาจลืมคําพูดของน้องชายตอนที่เขาปกป้องฉันได้เลยตอนนั้นน้องฉันอายุ8ปีส่วนฉันอายุ11ปีเมื่อตอนที่น้องชายของฉันใกล้จะจบมต้นเขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมปลายว่าเขาสอบได้ในขณะที่ฉันซึ่งใกล้จบมปลายก็ได้รับการตอบจากมหาลาัยของจังหวัดเช่นกัน คืนนั้นพ่อได้นั่งสูบบุหรี่ที่สวนหลังบ้านฉันแอ บ, บได้ยินพ่อพูดว่าลูกเราทั้งคู่เรียนก็เรียนดีมากนะแม่ซึ่งนั่งเช็ดน้าตาอยู่ข้างๆพ่อก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเราจะส่งเสียลูกเราทั้งคู่ได้ยังไงในเมื่อเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินทันใดนั้นน้องชายของฉันก็ได้เดินเข้าไปหาพ่อและพูดว่าพ่อครับผมไม่ต้องการจะเรียนต่อครับผมอ่านหนังสือมามากพอแล้วพ่อเวียงมือตบลงที่แก้มของน้องของฉันดังฉาดใหญ่ ทำไมคิดโงโงๆอย่างนี้ต่อให้พ่อตรงไปเป็นขอทางข้างถนนพ่อก็จะส่งเสียแกเรียนทั้งคู่จนจบให้ได้คืนนั้นทั้งคืนพ่อได้เดินไปตามบ้านต่างๆทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อขอยืมเงินฉันค่อยๆเอามือประครบแก้มบวมๆของน้องชายเบาๆและคิดว่าต้องให้น้องได้เรียนต่อไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจจะหลุดพ้นชีวิตอันลำบากเช่นนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดที่จะเรียนต่อไปได้เช่นกัน ใครจะรู้วันต่อมาในตอนเช้ามืดน้องชายของฉันได้ออกจากบ้านไปพร้อมทั้งเสื้อผ้าที่ติดตัวไปเพียงไม่กี่ชิ้นและถั่วเพียงเล็กน้อยเพื่อประทางความหิวก่อนเข้าไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้ใต้หมอนของฉันขณะฉันกำลังหลับพี่ครับการจะเข้ามาหาวิทยายลัยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมจะไปหางานทำและจะส่งเงินมาให้พี่ครับฉันนั่งอยู่บนเตียงอ่านข้อความของน้องชายด้วยน้าตานองหน้า ฉันน้องห้จนเสียงแหบเสียงแห้งตอนนั้นน้องฉันอายุได้17ปีส่วนฉันอายุ20ปีด้วยเงินที่พ่อยืมมาจากคนในหมู่บ้านรวมกับเงินที่น้องชายของฉันได้รับเป็นเงินค่าจ้างจากการทํางานเป็นกรรมกรแบกหามที่ไซต์ก่อสร้างท่าเรือฉันจึงสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้จนถึงปี3วันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องพักเพื่อนรวมห้องของฉันก็ได้เข้ามาและบอกว่ามีชาวบ้านมาหาเธออยู่ข้างนอกนะ่ะ ทำไมชาวบ้านถึงมาหาฉันล่ะฉันคิดอย่างนั้นฉันจึงได้เดินออกไปดูและมองเห็นน้องชายของฉันยืนอยู่ตัวของเขานั้นเปืเป้อนไปด้วยฝุ่นปูนและทรายจากงานก่อสร้างฉันถามเขาว่าทําไมไม่บอกเพื่อนพี่ว่าเป็นน้องชายของพี่ละ่ะน้องชายของฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้และตอบว่าก็ดูผมสิครับมอมแแมมบอกอย่างนี้ขืนบอกว่าเป็นน้องพี่เพื่อนๆก็จะได้หัเราะเยาะพี่กันพอดีพี่ไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดยังไงก็เธอเป็นน้องของพี่ ไม่ว่าเธอจะดูเป็นอย่างไรก็ตามนะจากนั้นน้องของฉันก็ได้ล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขาเป็นกิบหนีบผมรูปผีเสือ้อเขาติดกิฟไปฉันและพูดว่าผมเห็นสาวๆในเมืองเขาติดกันครับพี่ผมเลยอยากให้พี่ได้ติดบ้างฉันหมดฤทธิ์แรงลงไปในทันใดดึงน้องชายเข้าประวัติกรดและร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานตอนนั้นน้องชายของฉันอายุ20ปีส่วนฉันอายุ23ปี วันที่ฉันพาแฟนหนุ่มของฉันมาที่บ้านเป็นครั้งแรกฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างบ้านที่เคยแตกไปได้ถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าบ้านสะอาดขึ้นมากหลังจากที่แฟนของฉันกลับไปฉันจึงพูดกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องเสียเงินเพื่อทําความสะอาดบ้านกับซ่อมกระจกหรอกนะเพียงแค่พ่อหนูจะพาแฟนมาเที่ยวที่บ้านหรอดนะคะแม่ยิ้มและพูดว่าแม่ไม่ได้จ้างหรอกน้องชายลูกต่างหากที่ทําวันนี้เขาก็เลิกงานเร็ว ก็กลับมาทําความสะอาดบ้านลูกยังไม่เห็นน้องชายหรกเหรอน้องดนกระจกบาดตอนที่กําลังเปลี่ยนกระจกบานใหม่นะ่ะฉันรีบเข้าไปหาน้องที่ห้องนอนของเขาฉันรู้สึกเหมือนกับว่าถูกเข็มนับร้อยทิ่มแทงตรงกลางใจไม่ได้เห็นบาดแผลบนมือของเขาฉันจับมือของเขาเอาไว้อย่างเบามือที่สุดเจ็บมากไหมฉันถามเขาไม่เจ็บเลยครับพี่ก็รู้เนีว่าผมทํางานก่อสร้างนะวันๆน่ะจะมีหินตกมาใส่บ้างใส่เท้าใส่มือใส่หัว แต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมเลิกคิดจะทํางานได้หรอกนะน้องชายของฉันยังพูดไม่จบประโยคแต่ก็ต้องหยุดพูดเพราะฉันหันหน้าหนีเขาน้ําตาไหลาอาบหน้าของฉันอีกครั้งเพราะพี่เป็นพี่สาวของผมนี่ครับตอนนั้นน้องชายของฉันอายุ23ปีส่วนฉันอายุ26ปีหลังจากนั้นฉันก็ได้แต่งงานและย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลายครั้งที่สามีของฉันชักชวนให้พ่อแม่ของฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกันแต่ท่านทั้งสองก็ปฏิเสธท่านบอกว่า ท่านเคยย้ายออกจากหมู่บ้านครั้งนึงแต่เมื่อออกไปแล้วท่านไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันดีจึงได้ย้ายกลับเข้าไปใช้ชีวิตอย่างในหมู่บ้านตามเดิมน้องชายของฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เขาและพ่อแม่ย้ายออกไปเขาบอกกับฉันว่าพี่คอยอยู่ดูแลพ่อแม่ของสามีพี่ทั้งนั้นเถอะผมจะดูแลพ่อแม่ของเราเองสามีของฉันได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทของครอบครัวเราทั้งคู่อยากให้น้องชายของฉันเข้ามารับตําแหน่งของผู้จัดการบริษัทแต่น้องชายของฉัน ไม่รับตําแหน่งนี้เขาขอเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานธรรมดาวันหนึ่งน้องชายของฉันปีนขึ้นบันไดขึ้นไปซ่อมสายเคเบิลและตกลงมาเพราะโดนไฟดูดเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลฉันและสามีก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลน้องชายของฉันขาหักต้องเข้าเฝือกที่ขาฉันโกรธมากจึงตวาดน้องไปว่าทําไมถึงไม่ยอมรับตําแหน่งผู้จัดการล่ะฮะถ้าเป็นผู้จัดการก็จะได้ไม่ต้องมาทํางานสิง่สงๆอย่างนี้ดูตัวเองสิเจ็บเจียนจะตายอยู่แล้ว ทำไมถึงไม่ยอมฟังกันบ้างเลยคําตอบของน้องฉันรวมถึงสีน่านเขร่งเครียดยังยืนยันความคิดของเขาอยู่พี่ลองคิดถึงพี่เขยสิครับพี่เขยเพิ่งจะได้เป็นประธานส่วนผมมันก็การศึกษาต่ําถ้าผมได้เป็นผู้จัดการจะมีเสียงดินทาว่าร้ายเต็มไปหมดน้ําตาปริ่มดวงตาของฉันขึ้นมาอีกแล้วรวมทั้งสามีของฉันด้วยฉันบอกกับน้องว่าแต่ที่เธอไม่ได้เรียนต่อก็เป็นเพราะพี่คนนี้นะทําไมพี่ต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยครับ น้องชายของฉันจับมือของฉันไว้ตอนนั้นน้องฉันอายุ26ปีส่วนฉันอายุ29ปีเมื่อ น, น้องชายของฉันอายุได้30ปีเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงในที่ทำงานที่เดียวกันในงานแต่งงานประธานในงานได้ถามน้องชายของฉันว่าใครคือคนที่คุณรักที่สุดในชีวิตนี้น้องชายของฉันตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าพี่สาวผมครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่แม้แต่ฉันยังจําไม่ได้ตอนผมอยู่โรงเรียนประถม โรงเรียนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเราสองคนพี่น้องต้องใช้เวลาเดินถึงสองชั่วโมงเพื่อจะไปเรียนและเดินกลับบ้านวันหนึง่งในวันที่หิมะตกหนักผมทําถุงมือหายไปข้างหนึ่งพี่สาวผมจึงให้ถุงมือของเธอมาข้างหนึ่งและเธอก็ใส่ถุงมือเพียงข้างเดียวเดินมาเป็นระยะทางไกลเมื่อเรากลับถึงบ้านมือของเธอบวมแดงเพราะอากาศหนาวเธอไม่สามารถจะจับช้อนทานข้าวได้ด้วยซ้ํานับจากวันนั้น ผมสาบานกับตัวเองว่าตลอดชีวิตของผมผมจะดูแลพี่สาวของผมให้ดีที่สุดและจะทำดีกับเธอเสียงปรบมือดังกึกก้องขึ้นไปทั่วในงานสายตาทุกคู่รวมทั้งแขกเรือหันมาจับจ้องที่ตัวฉันคำพูดออกจากปากของฉันมันออกมาอย่างยากลำบากในโลกใบนี้คนเดียวที่ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่สุดก็คือน้องชายของฉันค่ะในวาระที่มีความสุขเช่นนี้น้าตาได้ไหลดินออกมาจากสองตาของฉันอีกครั้ง จงรักและห่วงใยคนที่คุณรักในทุกๆวันในชีวิตของคุณและเขาคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำให้ใครสักคนเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับคนคนนั้นอาจจะมีความหมายอย่างมากคาดไม่ถึงไม่ว่าคุณนั้นจะคือพ่อแม่พี่น้องญาติคนรักเพื่อนหรือแม้แต่คนที่คุณไม่รู้จักก็ตามนิทานเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับปัจจุบันผู้เป็นพี่สาวอายุ 86ปีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารใหญ่บริษัทฮุนไดและในเครือมากกว่า20บริษัทน้องชายอายุ83ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเล็กๆที่มีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่าซัมซุงนิทานเรื่องที่2ก็จบลงไปนะครับนิทานสอนใจวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงแค่2เรื่องนี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านได้รับสาระและความบันเทิงจากเรื่องที่เล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามและคําติชมนะครับ ผมจะพยายามปรับปรุงให้ออกมาดีที่สุดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ